อ่ะคุณโตหลว่พ่อข้าเวลามาอยู่ในวัดจะรู้สึกมีประคองอะค่ะแต่ว่าอยู่ข้างนอกนี้ค่อนข้างปล่อยแล้วค่ะเหมือนกับเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ดีเองอ <c oughs> เดี๋ยวมันก็ดีจะอย่าให้เดี๋ยวนานก็แล้วกันด <c oughs> ีก็หลงนานเหมือนกัน <c oughs> แต่ไม่ทิ้งรูปแบบนะมีรูปแบบไว้บ้าง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 ไม่งั้นมันมันมันก็ไปแก่ปล่อยมันก็มันก็วิ่งพุ่งต่อไปเนี่ยเราต้องรู้จักไงว่าเวลานี้ควรพักเราก็พักครับดีแล้วฉลาดครับแต่เวลาเราดูจิตนะเราจะพักแบบรวดเร็วนะง่ายๆเลยนะหลับตาสักหน่อยนะหายใจเข้าไปแล้วกลั้นลมหายใจไว้อึดเดียวจิตมันจะเข้าฐานมันแล้สงบไปพักผ่อนพักผ่อนได้ประเดี๋ยวนึงนะออกมาก็มาทํางานต่อได้แล้ว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 ไปปรุงต่อเข้าไปปัญหาไปอยู่ตรงนั้นเองอย่างความโกรธเกิดขึ้นจิตมันจะโกรธห้ามมันไม่ได้นั้นไม่มีหน้าที่ไปห้ามแต่พอความโกรธเกิดขึ้นแล้วอยากให้หายพออยากให้หายเนี่ยหาทางแก้ไขความโกรธตัวนี้เป็นปัญหานี่คือความปรุงแต่ ง, ตงปรุงแต่งใหม่เป็นกรรมใหม่ตรงที่จิตมันโกรธขึ้นมามันโกรธไปตามความเคยชินเดิมๆของมันมันเคยโกรธมันก็โกรธพอมันโกรธขึ้นมาใจเราไม่ชอบมัน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 แต่เราไม่พอใจขึ้นมาเราพอใจขึ้นมาใจเราปรุงแต่งซ้อนขึ้นไปอีกทีเทาานี้เราจะทุกข์ละขันห้าของพระอรหันต์ก็ปรุงแต่งนะไม่ใช่ขันห้าของพระอรหันต์ไม่ปรุงแต่งขันห้าของพระอรหันต์ปรุงแต่งแต่จิตของพระอรหันต์นั้นไม่มีอะไรปรุงแต่งได้เลยเพ่าเห็ุขันมันทำงานไปโดยจิตไม่กระเพื่อมบันไหทไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตไม่ทางานต่อที่เรียกบอกว่าหมดหมดจิตแล้วจบจิตแล้วใจไม่ต้องทางานละ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 มันก็รู้สึกว่าใจมันมันมันนุ่มขึ้นนะคะธรรมดานะก็คาที่น้หลวงพ่อบอกว่ายัางยังประคองอยู่อ่ะครับก็ก็ไปดูก็เห็นบ้างแล้วก็บางทีก็ถล่มไปบ้างครับแก็ยังยังรู้สึกว่าชอบใช้ความคิดแทรกแซงอืแทรกแซงอยู่เยอะเหมือนกันดีละดีละที่รู้รู้ละรู้ทันพฤติกรรมของใจเราเองนะครับ